ทองทำต่ออีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติห้ผู้ฟังมีผู้พูดฟังก็ฟังเรื่องที่เราได้กระทำจิ่งที่เรากระทำเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาเอามาประกอบในสิ่งที่ได้ยินนั่น มันจึงจะสำเร็จประโยชน์บอกว่าถ้าหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงถ้าเราหลงก็ต้องเปลี่ยนตามความที่บอกให้ไม่หลงอาศัยกรรมฐานรูปแบบช่วยอาศัยศรัทธาความเข้มแข็งเป็นพละเป็นกำลังว่าทำได้ทำได้ ยาตัวเองสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงกันแล้วน้อยอย่างที่เป็นสิ่งที่พลังร่วมมีความเพียนเข้าไปประกอบกล้าเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไม่เข้มแข็งตรงนี้อย่าโ อ, อนเออย่าค่อยตาง เยกว่าพลังพลังห้มีความเพียรไม่ใช่ความเพียรคือความอ่อนงยกมือปกแปปแปเนเข้มแข็งตั้งใจแลวจึงมวยกมือเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับมีพลัง น, น, นี่นีนนีอย่างนี้นี่ความเพียรคือความเข้มแข็งความเปล่งกล้าความถลาออกกระโดดออก มีสติเข้าไปเสริมเขไปรู้สึกตัวเข้าพลังเสริมไม่สมาธิมันคงไม่หวั่นไหวในความที่มันหวั่นไหวในปัญญาโรปลูกให้มีปัญญาอย่างงู้ความหลงทัห้ร ง, ง, งู้ความทุกข์ความโกรธทั้งรงูได้ โอนหลงคือคนงูคนทุกคือคนงูคนโกรธคือคนนูปัญญามันฉลาดนะนนปัญญามันฉลาดนีดพ่พลังพลัง <c> เ <oughs> หมือนรถโปรวริวิ่งผาโขนพ่าตม้มไม่เฉล็บมันดีอย่างนี้รถโปรวริ ขึ้นเขาไม่มีอืดตอดมันดีอย่างนี้มีพลังอย่างนี้สร้างมันขึ้นมาก็ยังสร้างได้แต่ชีกิตของเราเนมันสร้างได้กว่านั้นไม่ต้องอาศัยอันอื่นมาประกอบมันกจะ ก, ก่อใช้ชีวิตของเราเนี่ให้ให้ชำนิชํนานาญให้เป็นศิลปะ ในการขับเคื่อนตัวเองโดยเฉพาะกรรมฐานานี่มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทำได้สำเร็จด้วยการกระทขาของเราเองอันเดื่นต้องอาศัยวัตถุภายนอกไม่สำเร็จสมเหตุสมผปฏิบัติธรรมเนี่มันทนันสมันมันทําสมัน โลกมันทำให้เราโน่นชาความหลงทำเราล่าสมัยความโกรธทำมห้ล่าสมัยทัปเทปธรรมไม่จะทันสมัยเชื่มเขียงที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้กักขังได้ไม่ค่อยต่างนํำเสมอ นำหน้านำหน้าจะให้ความหลงนำหน้าหัดนําหน้าต้องฝึกหัดจนะ้ะมันโชนะความหลงนะัง่นมันออกหน้าเอาไว้ข้างหลังเมื่อวันหลงหนั่นออกมันออกหน้าเราให้หลงอทําโน่นทำนี่พูดโน่นคิดนี้ไม่ใช่ต้องมีสตินําหน้า เอาไว้ข้างหลังความหลงพิกมาไว้ข้างหลังงั้นหลงมาจริงลูกเอาไว้ข้างหลังถ้าหลงเป็นหลงมาอยู่ข้างหน้ากวงกัน้นมันก็โชว์อยู่ด้านาน้หลงลูกออกหน้ามันและออกก่อนมันแล้วหาลูกแบบโดยกรรมถามเนี่ย <c oughs> นี่ทำได้ ไม่ต้องไปขอร้องจากวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามมาช่วยเป็นพลังในค ำ, คำในในตัวเราเองนี่พลังอยู่ในตัวเราเองนะเรืนะ่องทุกข์ความโกรธต่กระต่างปัญหาไม่อยู่ขา้างหน้าเอาไว้หลังมีปัญหามจึงมีปัญญาโคบคุณปัญหา ถ้า ม, มีปัญหาไม่จะไม่มีปัญญาศึกษาดูถลุงดูไม่ต้องให้มันกักขังได้ปัญหาที่มเกิดจากจกายจากใจเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างถ้ามีสตินะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ทั้มาแล้วให้เราไม่ได้ความเจ็บความเจ็บ ค, ความตายโอ้เราเห็นแค่ตามความจริงอ ะ, ร อ, อะไรเจ็บอะไรเจ็บอะไรตายมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรนี่จะเห็นนี่จะเห็นเห็นแล้วไม่เป็นนี่คือชีวิตถ้ามันเป็นเราไม่ได้ชีวิตเลยเอามารับใช่ภาวะที่เป็นแล้วแต่เขาจะสั่ง จังให้สุข ก, ก, ก็สุส่งให้ทุกข์กทกสั่งให้หลงให้โกรธสังให้พอใจไม่พอใจนั้นไม่ใช่ชีวิตไปใช่ชีวิตที่เสนาวชิกาตามเขาไปนับใช่เขาไปให้แต่ความคิดที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ลบใช้ความคิดปล่อกลคืนเป็นขวนกลางวันเป็นเปรียวแค่นี้หรือชีวิตเราถู ปวดแอกตัวเองซะเอางี้ตัวนี้ไปกว่าสุขก็มาทุกข์อันก็จากความคิดหยุดกันทฉยๆเลิกหลากันแล้วลิกหลากันแล้วปวดปล่อยตัวเองออกมาอิสฉาลาพเป็นอิสระภาพเราจึงใช้เวลานี่มาศึกษาตัวเองเนี่ยก็ให้ใช่สถานที่นี้ เวลามาที่นี่มาศึกษาตัวเองเราก็อย่าอย่าแย่งกันอย่าไปแบ่งเวลาคนอื่นมาเป็นของเราเราก็ไม่รับใช่กันแม้แต่เน้ น, นยก็ไม่ใช่สมัยก่อนอยู่กับหลวงปู่เทียนน่ะหาบางวัดให้ไปบินทับหมอดเน้ น, นยรูปเดียวเน้อย ปุ่มบาดตั้งห้าลูกไปส่งพระลูกหนึ่งค่องคอสองลูกภายชายภายกว่าลูกหนึ่งอ้มเอาจนตัวเล็กจนมองไม่เห็นตัวตนเห็นแต่ บ, บาดเต็มไปหมดเลยเวลาจะเข้าบ้านล้วก็แน่นอนก็วิ่งเอาบาดไปให้ ปดต้อบาดต้องแก่คอปดต้อบาดต้องแกบาไม่มีที่มือที่ปดให้ปดต้อบาดต้องแกบาทใช้บาทหัวบาดอุ้มอุ้มสองลูกเนาะเอาเอาซ้อนกันไว้ต้องปวดออกวิ่งแต่บว่าเล่นก็วิ่งออกไปลับบาดจนเดินไม่ไหวอยู่พุทธยานหลวงปู่เทียรไม่ให้ใช่เด่นเลย เขาไม่ได้บวชบำเป็นชีข้ารับใช่หรอต้องช่วยตัวเองนะต้องดูแลตัวเองวินทบาดเองล้างบาทเองนะถ้าบางวันเนี่เน น, น้อยต้องล้างบาทรตอฉันเจ็ดมีลูกศิษย์มาลับบาทไปล้างไม่เกินชั่วโมงก็เอามาส่ง ไม่ให้ทำแบบนั้นทำเองห่าาบาทเราเช็ดบาดเองล้างบาดเองไม่แบ่งเอางานคนอื่นให้เขาได้มารับใช้เราให้เขามีเวลาได้ดูแลตัวเองให้เพียงพอขอให้ชินี่เป็นอย่างนี้หน้ามีก็ไม่ ส <Mr>. <vre> <RS. S 1> ่วนตัวที่จะแสดงออกนั้นต้องมีนะคนปฏิบัติธรรมนะเมื่อมีเวลาศึกษาตัวเองก็รู้อื่นควรไม่ควรอย่างไรก็รู้เองไม่ได้บอกเวลานี้เป็นเวลาตื่นเราก็ตื่นมาถูเสื้อหล่เองกัดกวดเองเก็บชิงเก็บของเองตัวจากความคิดของของก็จากความ ปกตัวเองของเขาถ้าใครเราจะมีการบอกทำโ น, น, น่นทำนีเนี่ยคนไม่พัฒนาไม่เช่นนักกรรมฐานนักกรรมฐานเขาจะไม่บอกมันเป็นความสานึกขึ้นมาถ้าดูตัวเองแล้วรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นกานที่มันชอบในการละเทษะต่างๆมันก็รู้จกักเหมือนน้องตาพูดวันก่อนว่า เวลาอะไรสําคัญที่สุดคือเวลาสำคัญทุ่สุดเราบริหารเวลาอย่างไรวันหนึ่งผ่านไป <c oughs> นี่เามันเป็นอย่างไงเอาไปใช้อะไรเวลาวันมีค่าเอามาดูแลตัวเองเติมขึ้นมารู้สึกตัวยังไม่ตาดูตัวเองเลยอะไรควรออะไรอันหนึ่งอันสอง ทำก่อนทำหลังอะไรแล้วก็ลำดับค้อจะเป็นระเบียบเองนะเมื่อเวลามาศึกษาตัวเองเวลาในคนจะมาศึกษาให้เรียนรู้ตัวเองเป็นหลักเรียกว่ากรรมฐมานเมื่อเรียนรู้ตัวเองแล้วก็รู้คนอื่นคนถนึงใครเคินอยู่คือคนอยู่ใกล้คิดเราผู้ที่อยู่ใกล้คิดเรามีความสำคัญกว่คนอื่น เมื่อเรารู้ตัวเองก็รู้จากคนอื่นชิงเอื้อทุกอื่นก็เกิดความดีขึ้นมาเป็นประโยชน์ทอมพ้องกันไป น, นี่คืองานเ้าตํำถูกคณไปของมันเองงานไปเองไม่ใช่เอางานออกหน้าออกตางานไปเองไม่ใช่งานตามหลังงานไปเอง ถ้านักกรรมฐานเไปเองมันเกิดความชอบไปมาพูดชอบต้องใจชอบดำลิชอบพูดจาชอบการงานชอบอาชีพชอบความภาพเพียนชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบปัญญาชอบเป็นทางฉลุยไปเลยลงแกงไปเลยนะ ไม่มีความชอบเกิดขึ้นมันเกิดจากกรรมฐานนะมีสติบันละความชั่วหรอกปล่อยเลยหรอกมีสติมันทาความดีแล้วมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นศีลแล้วเป็นสมาธิแล้วเป็นปัญญาแล้วศีลสิกขาศีลทะลุงศีลทําให้สะอาดไม่ใช่ศีลสมาทานศีลสิกขาศีาาลพระอริยเจ้า สินข่าวมันเป็นสินน่ะมาเกิดเป็นพระขึ้นมาอันสินสังคมไม่เป็นพระได้แต่ว่าเป็นเป็นแบบฉบับมันก็มันก็คข้แบบคข้าพิมพ์เมื่อมันออกเมื่อเข้าแบบเข้าพิมว่าเป็นพระได้สินสังคมถ้าเรารักษาดีเป็นศินขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาที่ขัน เป็นศีอันยิ่งเป็นสมาธิอันยิ่งเป็นปัญญาอันยิ่งถีเข้าไปขันมันเป็นไงขันขันมันถีเหมือนผ้าฟืมใช่ไหมไม่เปลี่ยนนอกจากฟืมขันบ่ฟืมขันโทผ้ามันเป็นยังไงผ้าเนื้อดีเอาห่อน้าได้ มีฟืมขันมีจีความมีจีหมูนับเส้นได้เคยเคยเรีนรู้ล้นี่เพราะว่าอยู่กับแม่ทำตอผ้าใช่เองผ้านุ่งเองรู้จกฟืนอาจารย์ต้องก็ซื้อเฟืมมาไว้ให้คนก็ยังไม่เห็นใครตอผ้าฟืนขันวันที โหน้าได้เมื่อเห็นผ้าเนื้อดีก็มาดูกันมานับความรู้จะความไหมความของฟืนหมู่ของฟืนมีจีความมีคิดมีนับคิดนับความี่เช่นเชีายไรสืบหูกสืบเขานั่นคือมันเป็นอย่างไรเหมือนเรา ด้จุดลอยไม่ไผ่สารคุงับน้ําได้ถ้าสานถูกวันทีเข้าไปเราเคยสารคุใช่หับน้ำสมัอันนี้เป็นหลวงตาเป็นคนโบราณจักหน่อยนะกเด้อเอ้ทำสิ่งเหล่านี้ใช่แต่ ก, ก่อนคุถังไม่มีแล้วเรียกคุนะคนโบราณเขาเรียกว่าถังนะนี่แต่เอาไม่ไผ่มาสารัาบ เอาเชื่อกูกหาเป็นตรงเจงไปนะไปทไปคันไม้ในป่าเอาเอาขุถังสารขูถังเหมือนกล่องเหมือนห่องที้ทีแล้วก็ห้อยไปใส่น้ำพายไปได้มันทีมันใช้ได้ไม่รั่วสีนขันมันก็ไม่รั่วมันทีก็ไปมันมีสติ จะเป็นตัวให้ศีลขันเกิดได้นะมีสมาธิทําให้ศีลขันสนับสนุนก่อนมีปัญญาทําให้ศีลมันขันทํำไ้มันถีเข้ามาศีลบริสุทธิ์ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาสติสมาธิปัญญาสนับสนุนก่อนเพราะมีสมาธิมีสติมีปัญญาโอ้ปัญญาสนุษย์มีสมาธิซึ่งกันและกันวนกันไปสนับสนุนมันคงจก สามกุงมันแรงถ่วงไปพร้อมๆกันไม่ใช่เป็นแถวศสินขันไม่ใช่เป็นแถวหมุนไปง่ายคลิ้งไปง่ายสนวนสนุนกันเสินสนวนสุนให้เกิดสมาธิสมาธิสนุนสุนให้เกิดปัญญาปัญญาสนุนสุนให้เกิดเสินเสินสนุนสนุนเกิดสมาธิต่อไปหมุนกันอยนี้ยว่าศสินขันคนมีสติก็เกิด บะกดก่อนอย่างนี้ขึ้นมาแล้ยสะดวกของยากเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาเวลาเราฝึกกรรมฐ า, า น, นง่ายนี้เดียวความหลง ง, ง, ง, ง, ง่ายความทุกข์ง่ายความโกรธ ง, ง, ง่ายความกิเลสตัณหากง่ายแต่ก่อนสู้มันไม่ได้มีพลังนะวันไหวไม่มีพลังที่ใหญ่มาใช่เหมือนคนไม่มีเครื่องมือทำอะไรก็ทำไม่ได้ สตสวามเพียรศรัทธาสติสัสทธาวิญญาสติ ส, สมาธิปัญญาอันนี้เป็นพลังหา้าศรัทธาห้าพลังห้าอินทรีย์หา้านี่ทำให้เกิดการตัดสลูได้ตัดสลูอะไรพ้นหลุดพ้นหันหลงหลุดพ้นความหลง มันโกรธหลุดพ้นความโกรธมันทุกข์หลุดพ้นความทุกข์นี่หลังเป็นอยังไงนะศรัทธาวิญญาสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ก็เรียกอินทรีย์มีพลังเป็นใหญ่แต่ท่าก็ใหญ่บ้างวิญญาณก็ใหญ่สติก็ใหญ่สมาธิก็ใหญ่ปัญญาก็ใหญ่เท่ว่าอินทรีย์สามารถหอบยื้อะไรไปก็ได้ ล่วงพ้นทุกอย่างสิ่งใดที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่ยภาษาอหไรความหลงความโกรธความทุกข์เน่ยไม่มีอะไรที่จะมาทําให้คลายเคลืองได้ก็โดดได้ตรงนี้ได้ถลาได้มีพลังนะคนมีพลังย่อมถลากายแล้วคนไม่มีพลังก็ทลาไม่เป็นละโอนไปเลย ร้องหลงทำไมอ่อนเดะร้องโกรธทำไมอ่อนเดะร้องทุกข์ทให้อ่อนเดะปัญหาทํำไ้อ่อนเดะกิเลสตัณหาทํำไ้อ่อนอเดะอะไรยอมไปเลยเป็นกรรมมจุ ข, ขันิการโย่ไปไม่โรอดยอมเราพูดเลยอผมมีกิเลสมากนี่ยอมละ <laughs> น่าจฉยเฉ พูดเลยเอากิเลสออกหน้ า, าไม่มีกิ เ, เลสมากอันนั้มันดีอ่อะออันนั้นมันดีได้ๆเรียนด้วยจริงๆนะทโกไม่มีอะไรที่สนุกสนอนเท่ากับทําบ่อยกิเลสคือค่าศึกชนะได้นะมันมันมันเบี่ยนให้เรานะกิเลส เหมือนลมไปล่าสัต์กิเลสมันเบนยิงเอายิงเอาสตินะเหมือนกับอุ้ดสตินี่อัตตาวิยะสติสตมาทิปัญญาเอืมหลงก็เบ่นเราอเลยมาที่มันเบ่นไม่ใช่ไม่ใช่ควองถูกต้องนะมันมันง่ายนะไม่ให้ลี้ลับไม่ใช่ลี้ลับนะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นปัญหา กิเลสปัญหาต่างๆมันไม่ใช่ลี้ลับมันมาแบบโง่ๆขุดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่มันปั้นน้ําเป็นก้อนขึ้นมามันไม่จริงความหลงมันไม่จริงความโกรธมันไม่จริงความทุกข์มันไม่จริงกิเลสทัญหามันไม่จริงความจริงคือมันไม่เป็นอะไร มันเห็นมันไม่เป็นอะไรนี่คือความจริงเราก็ต้องอยู่ยืนยบนความจริงเสมอคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ความจริงจะพบความจริงจะพบความไม่จริงเป็นการเลือกได้มีบุญวาสนาบารมีได้สร้างบารมีนานไม่มีบารมีไม่แก่โบราณท่านว่า มันมีมารมันจึงมีบารมีบารมีมันต้องมีตรงที่มันมีมารรวมหลงมันเป็นมารเรียนหลงเป็นไม่หลงหรือว่ามีบารมีเรลียนทุกข์เป็นไม่ทุกข์วยื่อบารมีบาระคือพม้มมีพม้มพรม้อมพรอมหลงมาพร้อมกันกับพมไม่หลง ผมเกิดเจ็บเจ็บตายมาพร้อมกันแต่ผมไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายนี่ว่ามีบา ร, รมีมองสงรักษณะมองตรงกันข้ามในโลกมันเป็นอย่างนี้ในกลางคืนก็มีกลางวันมีร้อนก็มีหนาวมีสุขก็มีทุกข์ มีเกิดก็มีไม่เกิดมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายมันอยู่ที่เราเนี่ยเราไม่ต้องจนตัวมันนั้นมาเป็นคู่อยู่ถ้าเราเแล้วเราเป็นนักปฏิบัตินะไม่ยอมตรงนี้มันจะฉลาดตรงนี้มีบารมีตรงนี้มีว่าสนาตรงนี้มีบุญตรงนี้แล้วบาปเลตรงนี้ บาบคือไม่รู้บุญคือรู้บาบคือทุกบุญคือไม่ทุกบาบคือโกรธบุญคือไม่โกรธฉลาดอยู่ทรงนี้หรือเป่ากูศนกูศนฉลาดตัดได้ลากเงอกมันตัดได้หรือเป่ากูศนเรื่องของกูสนบางคนละอย่างกันหาได้ในตัวเราจงมารู้จากตัวเรา ใช้เวลาให้ศึกษาเรื่องตงัวรมีความหมายมากมายมีค่ามากมายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ไม่ศึกษาจะเป็นอับายไปเลยนะเพราะว่ามีอะไรที่มันเลือพ่วงมากมายตาก็มีหูก็มีจมูกเิ่นกายใจมีวัตถุกามคุลตาหูจมกูกเล่นกายใจรู้รสจินเสียง มันไปทางต่ำมันเป็นอาหารเราเรียกว่าอาหารตาอาหารหนูอาหารกายอาหารจมูกอาหารลี้นอาหารใจมีทั้งหกปากใครเป็นคนที่หาเลี้ยงมันเสือหปากขีคอมันจะเห็นไห ม, มนเสือน ชิ้ตังเมชิ้ตั้งเมฆขีเ่เสือได้แต่และปากกินอาหารไม่เหมือนกันใครเป็นคนคนเหยื่อมันจนจะตายแล้วมันไม่รู้จักอง่มันเอาจนใ ห, ให้ให้ไม่มีแรงนะแต่และบปากมันเรียกร้องมากนะวยนหอมหอม ผ, อ ม, ผอมโจบผก อ๋อเลี่ยงมันไม่ไหวครับข้ามันจะเสือขีข้อมันเสื อ, อตาก็จินลูกหูก็จินเสียงจมูกได้กินเล่นเลยลถจมูกใจจินอนารมณ์นะตาเห็นลู ก, ลกพอใจไม่พอใจอาหารมันแล้ว หูที่ยนเสียงพอใจไม่พอใจอาหารมันแล้วตะมูกได้กินพอใจไม่พอใจลื่นในรถพอใจไม่พอใจกายสัมผัสพอใจไม่พอใจกาคิดนึกเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเป็นอาหารของโลกเป็นรถของโลกรถของโลกอยู่ในโลกเป็นอย่างนี้ถ้ามีสิตเหนือโลก ดังที่เราพรวูพรมี ส, ต, สติเห็นกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสาติมาวินะโรเจอภิชาตุมนัสังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ถอนออกมาโดยสิ้ ถ้าเรามันพอใจไม่พอใจถอนออกมาไม่ใช่พอใจไม่พอใจรู้สึกตัวไม่เป็นผู้พอใจไม่เป็นผู้ไม่พอใจถอนออกมาเขาอยู่เหนือโลกขนเหนือโลกคืออย่างเนี้ยไม่ใช่คนเหนือโลกไปเหาะเหือนเดินผ้าไม่ใช่แบบนั้นใครจะเหาะมาก็ไม่ไม่เคารพถ้าคนที่ยังโกงจังหลงอยู่ไม่ภาษาล่ะ ถ้ายังโชคอยู่ไม่มีประยโยชน์เขาลบคนที่มีไปมีคนมีผู้ที่อยู่เหนือโลกใครลบทำลายข่มโกรธข่มโล ก, งงโลกข่มหลวงไล่พระอาเลียบุคคลขั้นต้นๆไม่หมดก็บรรเทาหน่อยทำลายข่มโกรธข่มโลกขลก่มหลวงให้เบาบางลงแต่ก่อนมันร้อยเปเซ็นโกรธก็ลงให้น้ำตาไหล ร้อย p e r นี่ถึงเครียดนิดหน่อยหยุดลงมาได้โกธาถึงแค่โกธาขึงเครีคยรดมีสติก็ไปอดลงมาถ้าไปถึงโทสะร่ายกาศร่ายกา ศ, ากา ศ, ากาศสแสดงออกจับกำมัดกัดพันจับสตตารุดพูดออกไปพุทธสวจัจากร่ายกาศสแสดงออกไป อันตลตอดพราะนั่นถ้ามันโกดเอามาจากถ้ามันมากก็ให้จะให้าสิบเปได้ไหมอย่าท่านได้ให้มันโกดทะไล่กาดตึ๊ดออกมาโอ้โถเหมือนเราเห็นงูโดนไปที่กติเห็นงูทําทานเลื่อยออกมาจาก่อไผ่ที่ ก็ไผ่พันโง่พันพันล ำ, ลำเห็นไหมไข่พันลำในวัดธรรมเนี้ยก็ห <c> น <oughs> ึ่งมีพันลำเ<อ>นำ<อ>ที่ที่ที่ที่ใกล้ๆชลากัยโง่จำทำเลื่อยมาแล้วก็จะมาเลื่อยไปหาแ ท, ท่งน้ําจันทุ่มหกแทง่งนะอะไรเออยี่ยมเยียมเออไปไม่รู้จะไปอยู่ไหน ในดงในป่าไม่เมี่ว่าใช่ยอยู่ที่นี่เอออยู่ด้วยกันไปไม่รู้จะให้มันไปอยู่ไหนมันก็มีเท่านี้ป่าเดินมาก็เห็นขิงหลีิได้ยินเียงขิงบทิดลงโอ้ช่นยจอยเอ็นโดยฉันขอให้ฉันเป็นพระป่ามีมุกพึกษาป่าไม่เป็นเพื่อนทุกกระแสงดวันแรงสแสดงทำอยู่จำเกไปโลเทไม่มีเบื่อเหลือเก่า นี่ป่าป่าได้ยินเสียงเิ้งหลีดร้องได้ยินเสียงนกร้องน้อฝนตกไปมากกว่านี้จะจะได้ยินเสียงนกร้องอีกอีกไม่กี่วันเองเลยไหลจะกรจันก็จะร้องน้ำฝนก็จะร้องนี่ได้แน่นนี่ไม่รู้จะไปอยู่ที่หน่อยนะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว บัวในสะทางทิศเหนือนั้นที่มันไหลมาจากน้ําไหลจากไกล้อ้อยบัวไม่มีแล้วเดี๋นี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบัวไม่มีแล้ ว, ว, แ, ลวแต่ก่อนบัวเต็มสระไปเลยโดกบอลอะไรขี่เลเือจิ้ไม่บัวเด้เหลือ น, น้อยขันนังจ่อทิ่งเข่งคว่งเนี่ยไม่ได้ใช่ประโยชน์ไม่มีโดกบัวเจ็บแล้วมันเกิดอะไรแล้ว <c oughs> สองวันมานีีคนมาจากคอนสวรรค์บ้านสงแดงมนาะเพนเพราะว่าผหนอกทุกปี เ, เต็มทุ่งเต็มท่าปีที่ไม่มีชกต้นแล้วนะเป็นหมันหมดแล้วทำไงจึงเป็นนะแล้วก็หลายอย่างสาเหตุหลายอย่างปุ๋ยที่ปุ๋ยเคมีบ้าง สารเคมีบ้างที่คนใช้กเกษตรแผนมากทุกวันนี้มันกระทบกระเทือนไปถึงปูหอยปลา ป, ป, ปูหอยถ้าไปทางนาเชือกทางมหาชลคารมก็จังหายจับขาุขดกบุดเขียดตามทุ่งนาเป็นหลายคนถือกุ้งถื อ, ถ, อถังถือข้องว่า ไอ้เกลียดได้กบมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบ้านเราเมืองเราที่ใดมีไรอ้อยไาทำเกษตรแผนใหม่เขาใช้สารเคมีของกิขงูของกินเขาทำให้เรากินคนที่ไม่ทำมีมากคนทำมีน้อยเขาจึง ผ, ผิดให้ได้ผลมากๆเพื่อผลประโยชน์ของเขา อะไรคือว่าต้องพัฒนาคือปฏิบัติธรรมจึงจะทันสมัยนะทุกวันนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่รู้จักตัวเองจะไม่รู้จักตัวเองก็อนับใช้ลดของโลกไปติดลดของโลกไปเราก็ทำตรงแต่ไ้ลถของโลกเพิ่มขึ้นสีเสียงแส ง, งต่างๆฮ<ร>ีพอเตอคุณภาพไม่มีฮีพอ เขาทำห้คนติดดูดูเห็บหอก็ชวนให้ซื้อได้ขนมบุ้งโทโทเนี่ยเออต้องบีบโอ๊กนี่เหล้านี่เหนียวเที่ยวสมองไม่เหมือนเลยดูหอมันใหญ่เหอเห็บหอเขาชวนให้ซื้อชวนให้แต่คุณภาพไม่มีเลยถุงถุงสังฆทานนี่มัน มันผ้าเหลืองเอามาเช็ดปากก็ไม่ได้เลยมันพับไว้ที่ปากๆมีผ้าเหลืองมีอะไรต่างๆถังใหญ่ๆทูนขึ้นมามีอะไรบา้างนะแต่ว่าสี่ร้อยห้ารอยบาทมันมีอะไรที่นั่นไม่มีอะไรคนก็ซื้อมาดง่ายดูสวยสะดวกั้นการถือการใช่แล้วก็หลอกกันมนเลย มันมีอีบหอมีกลิ่นมีลดตํางไมคนติดเข้าไปหนมน่าเป็นเหมือนหรือนเลเหมือนอนอย่างไม่สบายาจไหนนําขวดดูทุกวันนี่อะไรบ้างกินเอากินเอาี่ประโยชน์ไหมอาจากอะไรเล้๋ยวพ่อแม่ก็ไปทำให้ลูกกินแล้วมันจะปอดภัรยา มันก็เป็นโลกประสาทเพิ่มขึ้นโรคมันทับถมมากปฏิปทาบเลยมันทันสมัยมันทันสมัยจริงๆนเมาเถอพวกเราเวลาใดเรามีสติมันมั่งทันสมัยในเรามันหลงรู้จักตัวเนี่ยโอ้ทันสมัย อยากให้มันหลงจกให้มันโกรธากให้มันทุกข์จะให้มันมีเจ็บจะหาจะได้ดูเลยมันดิบมันมาจากไหนนะมันก็ทําได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เง้นหลงเปลี่ยนไม่หลงทําได้ร้อยไปเฉมันทุกข์เปลี่ยนมาทุกข์ทำได้ร้อยไปเฉมันโกรธเปลี่ยนเป็นโกรธทาได้ร้อยไเฉมันเจ็บเปลี่ยนมาเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บทําได้ร้อยไเฉิ มันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายทำได้ร0 0ยเปอร์เซ็นเป็นส่วนตัวง่ายๆง่ายเรียยร้องใครไม่ใช่ไปยกสิ่งของอนันตต้องช่วยกันตักช่วยกันหักหยาบช่วยกันดึงนี่มันก็เป็นไปเองคนปฏิบัติธรรมจะเป็นคนขยันนะไม่ใช่เป็นโเกียดข้านนะ ก็ไม่ปฏิบัติทําคนเกียดข้านอะไรก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวอะไรก็แย่คุมม่มร้อยขุ่มดีถ้าใจดีก็ทําใจไม่ดีก็ไม่ทําเอาเอารมณ์เป็นเครื่องสั่งงานสั่งการ <c oughs> จำกับสิ่งของต้มกับผู้คนทำกับพ่อกับแม่กับเพื่อนบ้านกับพี่ น, น้องอารมณ์เป็นคนสั่งต้อ ม, มาจังให้ตีลูกก็ตีเอาที่เอ ต้องให้ด่าก็ดอล้วกันท่านชนสั่งให้เกลี่ยวกั้งขาเชื่อกันลงไปของที่มันชอบเห็นไม่ชอบบอกไม่สุบูรีมันว่าตายชั่งหมอมันถมสุบันเนี่ยมันชอบเห็นความชอบเป็นของมันเห็นความไม่ชอบเป็นของชอบเป็นความชอบเป็นของไม่ชอบ มมีเหมือนกันนะถ้าเราไม่พัฒนามันติดนะเหมือนหนอนอยู่ในห้องนา้าพระเป็นเพื่อนกันนะตามหาเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเป็ น, เ, ปนเทวดาคิดถึงเพื่อนมามนไปอยู่ที่ไหนอะ่ะตามหาไปเห็นอยู่ในห้องน้ำไหมสวมพระนุ่งอยู่ พอปเอ้ยเรียกเพื่อนขึ้นมาเอ้ยมาอยู่นี่ทําไมหนองเพื่อนเลยไอ้มาอยู่ด้วยกันอ่ะเออเธอญไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่สวรรค์นิพพานเนาะอ๋อไปยังไงนี่ยังไงสวรรค์นิพพานที่จะชวนเราไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องมามุดอยู่นี้กินอะไรก็ไม่กินจะใช้อะไรก็ไม่ใช่อันี้ก็ ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรนะมันหล่นลงมาถึงเรามันหล่นลงมากินไม่หมดหมุดมันอยู่นี่นะไม่ไปเอยเนี่ยนดอกให้จักโกดไม่ได้ไม่ได้อย่าโกดแต่เพื่อนไม่ไ ด, กกไได้ถ้าไม่โกดมันก็เหมือนหมาเนาะถ้ากูได้โกดตายเหมือนเดิมกูได้โกดต้องด่ามัมนต้องตีมันต้องฆ่ามัน ต า, ตามความโกรธเสียผู้เสียคนเสียเปความโกรธเสียเปี่าความทุกข์เสียเป่าความหงเสียเปี่คาความลับเจชอยู่ในโลกนะ่นขุมร้ยุมดีตัวเองก็เพิ่งตัวเองไม่ได้จะให้ใครมาเพิ่งเราได้คนปฏิวัติทรรมในอูดินมิดหินมิดทรายก็เพิ่งได้ <c oughs> <c oughs> เป็นญาติธรรม ญาติสายโลหิตยังทะเลาะกันฆ่ากันได้แต่ญาติที่ทำทำลายกันไม่ได้เด็ดขาดเลยมีแต่ความเมตตากาุณาต่อกันและกันมารู้จักตัวเองสงสารตัวเองก็สงสารคนอื่นแต่ก่อนปล่อยให้ตัวเองหลงปล่อยตัวเองโกรธปล่อยตัวเองทุกข์ไม่ได้ช่วยตัวเองเลยว่างมาเจกโอ้ก็ตือล่น ในเห็นเมื่อตัวงช่วยถึงได้แล้วเห็นใจคนอื่นโอ้คนอื่นโกรธไปอย่างนี้คนคนทั้งโกรธอย่างนี้มันกรคิดจะไปช่วยกันเองมันจะไปทําลายกันได้อย่างไรก็เลยเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้ร่วมกันระยะนามิตรกันระยะนธรรมมากันไปถึงมากถึงคนนั้นนระยะนัณมิตรเนี่ยเกิดจากพระศัทธรรมแม้แต่พระสงฆ์เกิดจากพระศัทธรรม สัตรมโชสิปติปติคุณาพิโยโตุว่าสงเกิดจากพ้าสศรธรรมใการปฏิบัติดีเป็นต้นสงพรนะัดตัตไตนะต้องสงสมมติเกิดจากกุป ช, ชาบวชในบวช้อันนี้เป็นสงสมมติสงไม่ใช่สงพรัทตันไตนะวันก็มีพระมา อยู่วัดภูเขาทองบอกว่าพระที่จะมาอยู่วัดภูเขาทองต้องผ่านวัดป่าสุโกโตก่อนถ้าไม่ผ่านวัดป่าสุโกโตจะอยู่วัดภูเขาทองไม่ได้นะเห็นสุภูลีสุบูลีตบตอนเจ้าเหม็นไปทางบัดทู่หน่าหน่าน่าน่าจะช่วยช่วยได้หรือเปล่า ถ้าหมายจูบภูกขาทองนะ่ะมีสิ่งแวดล้อมแน่แม่แต่บอกก็มีสิ่งแวดล้อมแรงอาจจะจิยดไปเองให้เวลาไม่ใช่หักหักดิบด บ, บางคนถ้ามาเจ ง, เ ก, งก็ใช้เวลาบ้างถ้าบางคนเชื่อมแสงหักดิบเลยทีเดียวือหักดิบของคนติดยาเสพติด มาอยู่พี่สาวพามาติดเฮโรอีนสมัยก่อนเฮโรอีนนะไม่ใช่ยา마มีกระเป๋าเสื้อผ้าก็เลยขอตรวจดูดอนมีอะไรตรวจโน่นตรวจนี่เห็นเฮโรอีนเลยยึดเอาไว้ผมจะขอใช่สักองหลอดท่้นเองผมก็จะหยุด ไม่ได้หักดิบเลยต้องเข้มแข็งว่าไม่ว่าไม่ได้หักดิบทางชอกไปเลยล้มลงไปพี่สาวต้องอุ้มขึ้นมาเออเหมือนอดีมาหักดิบเนี่ยมันไม่สู้นะแต่บางคนสู้ได้เข้มแข็งมันจะสุกแล้วจะไม่สุกน่นเองมันหิวจะไม่สุกมันอยากแล้วจะไม่สุก นี่เขอยากให้สูบอะจุดเพิมแข็งขึ้นมาก็ทําได้นะมันอยากเป็นสูบพระสูบจึงอยากเพราอยากเป็นสูบพราะสทบจงอย่างเมื่อมันอยากกูจะไม่สูบทวนกระแสอย่างนี้ลองดูเจ้ง่ายไม่ตีตลกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยยมกินหมากไม่กินหมากมันจางปากเอาเกลือมัอมทําอยากอาจารย์ชี้ฝันเกลือให้ อาสานท่อมส่วนหนึ่งเอาเกือบสองส่วนเกือสตุกสอนท้อมสตุกเสตุกมันไม่ได้แล้วเผาคั่วไม่แบบมึบดอ๋อเกือบสองส่วนสอนท้อมส่วนเดียวมึงปนกันก็ไปเอากระเบนปนลงไปทำวหาถล้ารกินหมาดสมัยก่อนนะเอ้ายาชีวันอมเอวอันจางปากเพื่อไปใช ไปฝันเรอไปสอนทที่ชัยภูมินะ่ะอที่สาวแม่ดีบ้านทนะํามไฟหวานเนี่ยติดหมากติดกระต้าหมากมากาวางลงแล้วมาปฏิบัตธรรม ป, ป, ประปาจานติกระต้าหมากแล้วขอแผ่กระต้าหมากขอแผ่สาโย ม, มย่วยม่ยจากสา แล้วก็ง่ายแล้วก็บริจาคบริจาคพอบอกว่ายิมานี้แบ่งมันเตยบริจาคจากขาออกแล้วคณยากคมจังหวัดก็นั่งอยู่ด้วยกันว่ายกเกิดต้าปางให้แล้วเขาก็ขอเพนไปเอามือมารูปภูโอยีหลาเอ้ย่วยสวยชะงมังงามแติน้อง <c oughs> ไอ้สีเจี๊ยบก็อุ้ยปุยเนาว่าเจี๊เตรียมมาเขียวจังยังในวันไหนทีได้จากกันน่นวันไหนเอามือมาหลูน้ำตาเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าตาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเตาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮันฮ่าาฮ่าฮ่าฮา เลี้ยฟปากแรงขึ้นมาอบอวันที่หนึ่งหาเอาปากไปหยุดเลยเอออย่าีอ๋อไปต่อไปไปหามาอีกหน้าแดงขึงๆึงเป็นหนุ่มเป็นสาวคนแก่โอ้มากรอโอ้ยอาจารย์เลยถ้าไม่อาจารย์มาบอกหนะ่ปันนี่ก็ตามาก็ต้องถือมาด้วยเนยะจะเป็นบุญเป็นคนหลายมันก็ดีนะ อังก็ดีกว่าเก่าคนไม่สูบบุหรี่ก็ ด, กดีกว่าคนสูบบุหรี่นะบุหรี่มวนหนึ่งเท่าไรสองทรสี่สิบบาทสิบสี่สิบบาทสูบอยสิบปีสร้างบ้านได้หลังหนึ่งห้าบุหรนะี่นะบางท่เขาก็เลยดีนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีที่ห้าไม่สูบบุหรี่นะนะ ก็ไม่หลงดีกว่านี่ฮาไม่โกรธดีกว่านี่ไปสู่มรรคผลได้สูบุรีไม่สู่บุรีเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าปรฏิบัติธรรมมันจะไปเป็นคบปองจงสุขภาพก็ดีสังคมก็ดีเศ ร, รษฐกิจก็ดีเงินซื้อบุรีไม่ได้ซื้อแล้วเศ ร, รษฐกิจก็ดีธรรมะก็ดี เป็นมากเป็นผลขึ้นมาพึ่งป๋าเสกกันได้นี่นะเอยินไห ม, ไหมพูดให้ฟังอย่างนีพูดให้ออกไปทำนะไม่จํา น, นะสิ่งที่พูดมานี่ไม่สอนให้รู้ให้ไปทําถ้ามีหลงอยู่ก็เปลี่ยนไม่หลงนะ่ะนั่นแหละเรียกว่านักปฏิบัติถ้าบังคิดไปไม่ได้งใจก็รู้สึกตัวกลับมาจะให้ความคิดมันหิ้วห่อไ ป, ไปนั่นแหละเป็นานักปฏิบัติให้ทำอย่างนี้ หนึ่งวันเจ็ดวันนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการองอมมาใส่เราเป็นสิ่งที่หน่าผูนใหญ่แล้วผมนชั่วจงพบนดีเนมันเป็นหน้ากาบหน้าไหวตัวเองก็ยกมาไหวตัวเองได้อา้าสมกวรเจริลากราบพระพร้อมกัน